แ2ความไม่รู้สึกในยะสำคัญต่างกันของโลกีโลกุตระดังนั้นในองค์คาพยพบคืออาการ32ส่วนที่ยังเป็นผีชนิยามของคนก็ตามก็ไม่มีความรู้สึกไม่มีเวทนาก็ไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ชอบไม่ชังอันนี้เฉพาะคนที่ความรับรู้ไม่มี หรือถูกสะกดประสาทไว้เท่านั้นถ้าสภาพอย่างนี้ก็แค่ชื่อว่าเจโตสมถะยังไม่ใช่เจโตวิมุตติถ้าเรียกในนามของสมาธิก็แค่สมาธิชั่วข่าวมิจฉาสมาธิที่สะกดจิตให้สงบได้อาจจะอยู่ได้นานไปทั้งชีวิตแต่ยังไม่ใช่สัมมาสมาธิ ที่กาจัดตัวกิเลสออกไปถูกตัวตนจริงแล้วสงบเที่ยงแท้ย่างยืนตลอดไปนิจจังทุวังสัสตังอวิปรินามธรรมังอสังหิรังอาสังกุ ป, ปังส่วนอรหันต์หรืออาริยบุคคลที่มีโลกุตระภูมินั้นมีการรับรู้อยู่เหมือนคนสามัญ มีความรู้สึกในสภาพนั้นๆเป็นความรู้เช่นเดียวกันกับคนที่มีประสาทรับรู้สามัญทั้งหลายเขารู้สึกหรือเขารู้กันทุกคนแต่ท่านไม่มีเคหะสิตะเวทนาที่เป็นอารมณ์โลกีนั้นแล้วเท่านั้นท่านจึงรู้สึกกลางๆเฉยๆ ที่ไม่เป็นความรู้สึกชอบหรือชังหรือไม่ใช่อารมณ์ตามที่ชาวโลกีเป็นกันจึงเป็นผู้ไม่มีอารมณ์เฉพาะแค่ความรู้สึกที่เป็นรสโลกีเท่านั้นซึ่งเป็นความไม่รู้สึกไม่มีเวทนาของผู้มีโรคอุตระแท้แท้นี้จึงต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญมาก ที่ละเอียดลึกในความไม่รู้สึกไม่มีเวทนาเฉพาะส่วนที่เป็นโลกิยรสเท่านั้นอันเป็นความรู้สึกพิเศษเฉพาะผู้มีเนคา ม, มะสิตาเวทนาแต่ยังร่วมมีความรู้สึกตามความมีของธรรมชาติน้นๆอยู่เหมือนคนผู้อื่นเขามีความรับรู้ได้เป็นสามัญ ทำความเข้าใจกันดีๆในความไม่รู้สึกที่ชาวโรกิยะผู้ทำได้แค่เจโตสมาะอันมีนัยยะสาคัญที่แตกต่างกันอย่างลึกล้ำมากกับความเป็นเจโตวิมุตต์ของชาวโรกุตระที่สามารถทำได้ท้งคู่ต่างก็มีความไม่รู้สึก แต่ความไม่รู้สึกของทั้งคู่นี้ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญมากพิเศษชาวโลกียะไม่รู้สึกเพราะประสาทถูกสะกดไว้หรือสะกดจิตไว้เท่านั้นส่วนชาวโรกุตระไม่รู้สึกเพราะกรมจัดกิเลสที่เป็นอากุโลรกิจบาปตัวนั้นออกไปจากจิตได้อย่างแท้จริง ชาวโลกุตละจึงหมดสิ้นอากูศโลจิตไปเท้ๆแต่ในเวชนาหรือความรู้สึกนั้นรู้ตามที่คนทั่วไปยังมีความรับรู้อยู่ทุกประการ